คำว่าเป็นสมถะสัมมาวาจาเป็นสมถะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นสมถะทั้งนั้นเพราะนำมาซึ่งความไม่ฟุ้งซ่านอันนัสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นวิปัสสนาเพราะนำมาซึ่งการรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็แยกออกว่านี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนานี้เป็นวิชานี้เป็นบิมุติแสดงว่านี้เป็นอวิชชาเนี่ยนะ ก็ต้องรู้ว่าด้วยนี้อวิชช า, าวิชาที่ไม่รู้ในอดีตอานาคตและปัจจุบันแยกออกว่าอะไรเป็นวิชาอะไรเป็นอวิชาอะไรเป็นวิมุติอะไรไม่ใช่วิมุติเพราะลักษณะที่ไม่เลื้เรือนของสตินี่แหละเนี่ยนะบุคคลผู้เป็นโยคาวจรผู้สมบูรณ์ด้วยสติผู้ที่มีสติอย่างนี้เขาไม่เลื้เลือนเขาจึงเลือก เจริญในสิ่งที่ควรเจริญไม่เจริญในสิ่งที่ไม่ควรเจริญก็ใช้คําว่าเลือกเสพแต่ทําที่ควรเสพแปลว่าคนที่มีสติเหมือนกับว่าแก้วน้ําทั้งน้ํามีพิษทั้งไม่มีพิษเนี่ยนะอยู่หลายๆแก้ววางอยู่เต้มไปหมดคนที่มีสติก็เหมือนกับแยกออกว่าอันไหนมีพิษอันไหนมีพิษอันไหนควรบริโภคไม่ควรบริโภคเนี่ยนะมันเขาเขาแยกเป็นมองออกว่าอะไรเป็น สารมีพิษสิ่งมีพิษกับสิ่งมีประโยชน์อะไรคือสิ่งมีโทษกับไม่มีโทษเนี่ยนะมันเขาก็คบแต่ธรรมะที่ควรคบเท่านั้นไม่คบธรรมที่ไม่ควรครบมันผู้ที่มีสตินั้นจึงเลือกคบสติปทานเลือกคบสัมมาปทานเลือกคบอิทิบาทเลือกคบอินทรีย์เลือกครบพละเลือกคบองค์มรรคเลือกคบสมถวิปัสนาเลือกวิชาและวิมุตถือเอาแต่สิ่งที่ไม่มีโทษ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นกุศลถือเอาแต่ธทรรมที่ประณีตถือเอาแต่ทมขาวถือเอาทมที่เหมาะสมเนี่ยนะเขาถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระอย่างเดียวเพราะเขามีสตินั้นสตินี้จึงเป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะพราะถ้าคนที่มีสตินั้นเน่ยสังเกตดูว่าเขามีสติจริงหรือไม่ก็ดูจากกายกรรมดูจากวาจีกรรมดูจาก มโนกรรมดูว่าเขาละอกุศลเจริญกุศลไหมถ้าเขาละอกุศลเจริญกุศลอยู่แปลว่ามีสติแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามทิ้งกุศลเนี่ยนะนะบางคนเขาบอกว่าเขารู้ตัวนะเขามีสติเขาละเลิกได้เสมอเนี่ยเขาเป็นใครเขารู้ ต, ตัวตลอดเพราะเขาไม่ได้หลับเนี่ยนะกนะ็ะนั้นมีสติไหมบอกไม่ใช่หรอกถ้ามีสตินั้นก็สามารถที่จะแยกพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะที่บอกว่า นี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้เลวนี้ประนีตนี้ดำนี้ขาวนี้เหมาะสมนี้ไม่เหมาะสมก็แปลว่าแยกออกว่านี้อกุศลกรรมบทนี้เป็นกุศลกรรมบทนี้คือเจตนาในการทาปานาติบาดนี้เจตนาเว้นจากปานาติบาตแยกออกเลยว่าเจตนาทำปานาติบาตเป็นอกุศลมีโทษเลวเป็นธรรมดาไม่เหมาะสม นนะไม่สม่ำเสมอเพราะนำไปสู่อบายทุกติวินิบาตเจตนาเว้นจากการฆ่าเป็นกุศลเป็นธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมที่ประนีตเป็นธรรมที่ขาวเป็นธรรมที่เหมาะสมโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นฐานรองรับคุณธรรมทั้งหลายเห็นโทษของคนที่มีสตินั้นจึงรู้ว่านี้เจตนาในอทินนาทานและมีผลต่อไปอย่างไร มีโทษอย่างไรแล้วนี้เป็นเจตนาเว้นจากอธินาทานนั้นน่ะดีอย่างไรมีคุณค่ามีคุณานิสงอย่างไรเนี่ยนี่คือเจตนาในการมีสุมิชฌาจานันนี้คือเจตนาในการล่วงอพรออ่ล่วงพรหมจันท์หรือที่เรียกว่าประพฤติอะพรหมจันท์นี้คือเจตนาที่เป็นเว้นจากกามีหรือเจตนาที่ทาเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจันทร์แยกออกว่าสองส่วนนั้นอะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาแยกแยะได้อย่างนี้ก็เลือกเจริญแต่สิ่งที่ไม่มีโทษกําจัดสิ่งที่มีโทษออกไปนี้เป็นเจตนาในมุสาวาทนี้เป็นเจตนาเว้นจากมุสาวาทนี้เป็นเจตนาสอดเสียดยุยงให้แตกร้าวกันนี้เป็นเจตนาที่มุ่งความสมักสมานสามัคคีและปรองดองกันนี้เป็นเจตน า, านะเป็นเจตนาที่ไม่หยาบนี้เป็นเจตนาที่ หยาบนี้เป็นเจตนาที่มีประโยชน์นี้เป็นเจตนาที่ไม่มีประโยชน์เป็นเจตนาที่มีโทษนี้อภิชานี้อนัพิชานีพยาบาทนี้อภพยาบาทนี้สัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแยกแยะเนี่ยนะสติเกิดขึ้นไม่สับสนในกุศลกรรมบทแลอะอกุศลกรรมบทชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแนวโน้มต่อไปจะล่วง กุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทเนี น, นะใครจะว่าเหมือนกับว่าชีวิตมันก็คือการเดินทางอะนะชีวิตมันก็กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็คือมรรคอะจะเป็นมรรคไปสู่สวรรค์หรือจะมรรคไปสู่อบายเป็นมรรคไปสู่นิพพานหรือเป็นมรรคไปสู่วัฏฏะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมบอกเราตลอดเวลา เพียงแต่เราอ่านค่าที่เป็นจริงเป็นไหมเนะรียกว่ามองเห็นเหตุแล้วอย่างถึงผลไหมมีกรรมมศกตาปัญญาเพียงพอหรือไม่แต่ผู้ที่มีสติทั้งหลายเขามีกรรมมศกตาปัญญาเพราะสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะรอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นนะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษดังนั้นผู้ที่มีสติไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือ น, เ, นนะเมื่อไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่สับสนอย่างนี้จึงสามารถ เจริญแต่อ่นะเจริญแต่เจตนาเว้นจากปานาติบาตถือเอาแต่เจตนาอ่นะถ้าพูดแบบฐานล่างลงมาอีกก็ถือเอาเจตนาที่จะให้ทานเนี่ยนะถือที่ถือเอาเจตนาที่จะให้ทานถือเอาเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตถือเอาเจตนาที่เว้นจากอธินาทานถือเอาเจตนาที่เว้นจาก กาเมสุมิฉาจารย์เว้นจากมุสาวาจเว้นจากปิสุณาวาจาสัมผปปลาปะพระสวาจาเจริญอานาพิชฌาเจริญอัพยาบาตเจริญ ส, สัมมาทิฏฐิเจริญกรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิรู้รู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าอะไรเป็นให้ผลเป็นสุขอะไรให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะตลอดจนถึงเลือกที่จะเจริญศรัทธาในพระพุทธเจ้ า, าเลือกที่จะถือเอาจิต เนี่ยนะเลือกที่จะถือเอาความคิดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระมีพระธรรมเป็นสาระมีพระสงฆ์เป็นสาระซึ่งเป็นกรรมสกตาระสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายผัสคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะจึงถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระแกนสารถือเอาคุณธรรมเหล่านี้เป็นบาตร นะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจเรตเหล่านี้เป็นบาทที่จะเจริญสติปัฏฐานรู้อีกว่านี้เป็นสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานนี้เป็นวิปลาสนี้เป็นสติปัฏฐานนี้เป็นวิปลาสนี้เป็นสัมมปัฏฐานนี้เป็นความเกียดตครัน้นแยกแยกออกก็เลือกถือเอาแต่สติปัฏฐานสัมมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พะละโพชงองค์มัคเลือกถือเอาส ม, มถาวิปัสนาวิชาและวิมุติผู้ที่มีสตินั้นจึงกําจัดความชั่วทางกาย กำจัดเจตนาในปาณาติบาตอธินนาทานการเมสุมิฉาจารเลือกที่จะกำจัดเจตนาในมุสาวาทปิสุนาวาจาพุทธสว า, าสัมผับปลาปะเลือกกำจัดอภิชาเลือกกำจัดพยาบาทกำจัดมิฉาทิฐิเลือกกำจัดวิปลาดเลือกกำจัดความเกียร์ครานเลือกกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นบาทให้เกิดการตรัสรู้เลือกกำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้น เลือกกำจัดความไม่มีศรัทธาเลือกกำจัดความเกลียดคราเลือกกำจัดความประมาทเลือกกำจัดความฟุ่งซ่านเลือกกำจัดอภิชาเลือกเลือกที่จะกำจัดวิธีการสั่งสมเวัตะเลือกกำจัดวิธีการที่ก่อวัตตะเลือกกำจัดมิจฉาทิฏฐิกำจัดมิจฉาสังกัปปะกำจัดมิจฉาวาจากำจัดมิจฉากรรมันตะอาชีวะกำจัดมิจฉาวายามะกำจัดมิจฉาสติ กำจัดมิจฉาสมาธิเลือกกำจัดความฟุ้งซ่านเลือกกำจัดอภิชาอาวิชชาเลือกกำจัดนิจจวิปปลัดเลือกกำจัดนะโศกวิปปลัดอาัตตาวิปปรลรัเลือกกำจัดนันทิเป็นตน้นกำจัดอวิชชาและก็กำจัดความหลุดพ้นที่ผิดพลาดเนี่ยนะท่านคนที่มีสติจึงคัดสรรแยกแยกแยะเนี่ยนะคนที่มีสติตามนี้เนี่ยนะที่บอกว่าไม่เลื้เลือนไม่สับสนน ah! ั้นเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่เคยสับสนในว่าอะไรคือกุศลและอกุศลเลยเนยนะคือคือจะไม่พูดแบบนี้มันเท่าๆนะเป็นต้นไม่มีพระองค์สามารถจําแนกวันนี้คือกุศลนี้คืออกุศลเนี่ยนะนี้คือกายกรรมที่เป็นกุศลนี้เป็นกายกรรมที่เป็น อากุศลจำแนกแจแจงอย่างชัดเจนและอะไรควรลนะและอะไรควรเจริญเนื่องเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติอย่างแท้จริงเนี่ยสังเกตดูกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในชีวิตประจําวันถ้าเลือกเสพสิ่งที่มีโทษอยู่แปลว่าไม่มีสติอะไรเลยบางคนก็บอกเออเรียนมามากรู้มาเยอะทําไมจึงทําชั่วขนาดนั้น ก็ไม่มีสติ น, นะระลึกไม่ได้ว่าอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญถ้าเลือกที่จะทำความชั่วอยู่ก็แปลว่าไม่มีสติอะไรเลย น, นะเขาเพียงแต่แวว ๆ, ๆผ่านหูมาแค่นั้นเองได้ยินคำสอนแวว ๆ, ๆผ่านหูมาัต่ถ้าเขาเนี่ยนะทำความชั่วด้วยกายวาจาอยู่ขณะนั้นไม่มีสติเลยขณะที่น้อมไปเพื่อเจริญกุศลด้วยกายวาจาใจน้อมไปเพื่อเจริญโพธิปักกยธรรมทั้งหลายแปลว่าขณะนั้นเขามีสติเนี่ยนะก็แยกแยะเอาเนี่ยนะ แต่ทีนี้สําคัญว่าไอ้ไม่หลงลืมสติเราคิดว่ามีสติดีสิก็แสดงว่าสับสนว่ากุศลและอกุศลก็สับสนก็แปลว่าไม่มีสติมันอย่าลืมว่าสตินั้นต้องมีข้อมีสัญญาที่มั่นคงมีข้อมูลที่แม่นยำ ม, มากเนะเป็นคนที่มีวิจารณญาณที่แม่นยําโดยเฉพาะศาสกะสัมปชัญญาเพราะสติตรงนี้แปลว่าสติที่ประกอบด้วยศาธกะสัมปชัญญะรู้ว่าศ า, าสตะศาสะแปลว่าประโยชน์ รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเปประโยชน์ที่ควรได้ประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะผันผู้ที่มีสติอย่างนี้จึงไม่เลอะเลือนเมื่อเขาไม่เลอะเลือนเขาก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญละสิ่งที่ควรละปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ควรกําจัดออกไปนั่นแหละคือผู้มีสติทั้งหลาย ทีนี้พระเจ้ามิลินบอกว่าขอให้ท่านทำอุปมาหน่อยเถอะว่าคนที่ว่ามีสติเป็นอย่างไรอุปมาให้ฟังหน่อยธนาเกษตก็บอกขอถวายพระพรมหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นขุนคลังเนี่ยนะก็เปก็คือสมัยใหม่เรียกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะที่ไม่เลอะเลือนในเรื่องทรัพย์สิน ไม่เลอะเลือนในเรื่องทรัพย์สินของพระราพเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะย่อมกราบทูลพระเจ้าจักรพนะกรพรดิให้ทรงระลึกถึงอิสเริระยะยศในเวลาเย็นเรียกว่าเตือนทั้งเชา้าเตือนทั้งเย็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมุติเทพพระองค์เนี่ยมีช้างอยู่เท่านี้รายงานเลยนะว่าพระองค์เนี่ยมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่ก็แปลว่ารายงานเรื่องเศรษฐกิจตลอดเวลาว่าช้างเนี่ย ตอนนี้มีเท่านี้มีเท่านี้แปลว่าอะไรมีเท่านี้ตายไปกี่เชือกมีคนอื่นเอามาส่งเป็นเครื่องบรรณาการอีกกี่เชือกคิดว่าเห็นเห็นความดำรงอยู่เห็นความเจริญรู้ความเสื่อมของช้างของมา้าของรถเนี่ยนะก็คือระบบระบบเศษธธ ร, รษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องขนส่งใช่ไหมช้างม้าก็คือระบบขนส่งว่าพระองค์นี่มีอำนาจการขนส่งทั้งหมดอยู่เท่านี้ รู้เรื่องรถของพระองค์ g, มีรถเท่านี้รถแต่ละอย่างในมูลค่าเท่าไรา่อะไรอย่างไรเ น, นี่ยนะอันไหนที่จะต้องซ่อมแซมบํารุงอันไหนที่จะต้องอดูแลแล้วก็ปกปักรักษาแล้วก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องกองทัพอีกพระองค์เนี่ยมีกองพลอยู่เท่านี้อันนกองพลเดินเท้าเท่านี้กองพลช้างเท่านี้กองพลม้าเท่านี้เนี่ยนะก็คือระบบกองทัพของพระองค์งทั้งหมดเนี่ยนะก็คือรายงานว่าพระองค์ได้มีความมั่นคงทางอ่ะ ทางทรัพย์สินพระองค์มีความมั่นคงทางแผ่นดินเนี่ยนะอาณาจักรของพระองค์เนี่ยห น, หนักแน่นมั่นคงเป็นปึกแผ่นแค่ไหนพระองค์มีเงินอยู่เท่าไหร่รายงานเนี่ยนะเงินในท้องประคังทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ทองมีอยู่เท่าไหร่พระองค์มีสิ่งของทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่คนที่รู้จริงในเรื่องชาอ่ะรู้จริงในเรื่องแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะไม่ใช่เขาเออมีเงินอยู่เท่านั้นในกระเป๋ารายงานเท่านี้แปลว่ารอบรู้ว่า เงินจะไหลเข้ากระเป๋าได้ยังไงมันจะออกได้ยังไงรู้ทั้งขาเข้าและขาออกรู้ทั้งรายรับและรายจ่ายควบคุมระบบภาษีอากรทั้งหมดเนี่ยนะรู้ว่าภาษีอากรทั้งมวลเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงแล้วจ่ายออกไปอย่างไรรู้รายรับรู้รายจ่ายรู้เงินคงกลังรู้ว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรเนี่ยนะขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิไม่สับสนอย่างนั้นเนี่ยนะก็แปลว่าไม่สับสนอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า เขารู้ว่าแต่ละปีเนี่ยนะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ฐานภาษีทั้งหลายมาจากที่ไหนบ้างเนี่ยนะอะไรเป็นภาษีหลักอะไรเป็นภาษีรองอะไระได้อย่างแน่นอนอะไรได้แบบไม่แน่นอนแล้วอะไรคือการจ่ายที่แน่นอนอะไรเป็นการจ่ายที่ไม่แน่นอนนะอะไรคือรายรับส่วนพิเศษของกองคลังเนี่ยนะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พวกกระทรวงการคลังเล่าให้ฟังให้รู้ว่าเออพวกรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาทําอะไรเขารอบรู้อะไรแล้ว แผ่นดินจึงหนักแน่นและก็มั่นคงเพราะนี่ยกขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่เคยจนเลยเนี่ยเลร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นอ่ากษัตริย์องค์ใดที่เป็นจักรพรรดิเนี่ยนะตามคำคำพีของเราถือว่าพระราชาพระองค์นั้นคุมโลกโลกทั้งโลกอยู่ในกํามือเนี่ยนะแต่ไม่ใช่กำมจักจักรพรรดิโหดเหี้ยมนะกับจักรพรรดิที่ปกครองโดยธรรม